คู้รู้จักธรรมะนันก็มีความสบายดีสงบดีโดยมากคนเรามันเพลินไปตามโละโทสะโมหะจิตใจมันก็อยู่เป็นสุขสมัยโบราณกาลของคนเราทั้งหลายนั้น ไม่ค่อยความกันวิ่งยนแต่ว่าวัตถุไม่เจริญบ้านของเรานี่ยงยากงแสบลังคาแต่ก็อยู่กันสบายอยู่กันสบายนอนกันสบายมีสินไม่รุงรังนอนดับสนิท ตลอดถังถ้งชื่อเสียงของคนเราก็เดีดกันง่ายสมัยก่อนช่ำกันใดๆ อ, อยาไมีหาชื่ออย่างดีเพื่ออยากสร้างความดีที่ความทะเยอทะ ย, ะยาบ้านจะสร้างให้ดีดีขึ้นเพื่ออยากจะอยู่สบายแต่ไม่รู้จักทำใจของเราให้สบาย นอนเบานอนผูกไม่หลับคิดหลายอย่างที่ปาถะที่เราจะต้องคิดไปเพราะว่าความทะเยอทะยานมากมจนเป็นเหตุให้เป็นโลกประสาทน่นาที่สุดในเวลานี้เพราะวา่าเราพากันคิดให้มันโลภผลเกินไป มันขาดธรรมะเรียกว่าสันต่จะท้าความยินดีในของที่มีอยู่นี่เป็นคาถาเคาะเสดศีเรือมหาเสดีความยินดีในของที่มีอยู่นั่นคืออะไรไม่ใช่ว่ามีมีแก้วใบนี้มีกระโถนใบนี้แล้วพอแต่ว่า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 ตงนี้ได้สองร้อยไปยืนดีสองร้อยตะลุนนี้ไดห้าสิบาทไปยืนมีไดห้าสิบาทไปเสก่อนเนี่ยปจุบันนี้อันนี้ทํามจิตใจของเราเป็นมๆให้ไปจัดประมาณในความเป็นอยู่ของเจ้าของจะไหมโบราณการโบราณทางด้ายนั้นวัตถุไม่เจร ين, เิญแ่จิตใจคนเราเจริญอืม หยุดใจสบายไปที่ไหนมองกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันตรงนั้นจะไปบ้านไหนเป็นเพื่พอนก็ขึ้นนอนบ้านคนสบายเชิญ ข, ขึ้นนอนบ้านคนสบายกินอยู่สบายทุกวันนี้คนไม่ไหวใจคนแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่ไหวใจอื ไหว้ ใ, ใจกันยายกเยลือเกินเพราะอะไรมันขาดธรรมะคือความซื่อสัตคุณสมบัติมนุษย์มันหายไปแล้วมันโศกสมบัติของสัตว์สมบัติของสัตเจ้าฌานสมบัติอะไรต่างๆมันไม่ซื่ออยู่อย่างนี้สมบัติมนุษย์นั่นมันไม่มีความซื่อสัตสุดจะหยุดนั่นมันไม่มีอะไรคล้ายๆในทิศไหนก็เป็นอย่างนั้น ไอ้อย่างนั้นความไม่ไว้ใจกันในทุกวันนี้แม้แตลอดครอบครัวไม่ว่าจะคนอื่นเลยไอ้ครอบครัวที่อยู่แบบกันนี้ก็ไม่ไว้ใจกันแล้วนะต้องระวังระวังเสมอมีเพราะอะไรั้นขาดความซื่อสัตขาดธรรมะฉันตุดปีจารชาในความยินดีในของที่มีอยู่นั้นน้อยด้วยอะไร ตอนน้อยโราณนนั้นถ้าเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็เคารพกันมากที่สุดไม่มีต่อหน้าหลับหลังเ็ยังเป็นพ่อเป็นลูกกันอ ย, อย่างนั้นตอ น, นน้นี่ถึงมีครอบครัวแล้วก็ยังระวังระแวงถึงออกจากบ้านไปทั้งคนที่อยู่บ้านทั้งคนที่ออกไปก็ไม่ใคยไว้ใจกันเละ ส่วนแค่อะไรไม่ขาดธรรมะเกิ ด, ดความไม่ไวใจกั น, นความยุ่งเหยงเกิดขึ้นมาถึงเรามีบ้านสวยๆใจก็ไม่สบายมีเงินทองมากๆใจก็ไม่สบายนอนผูกนอนเบา ก, ก็ไม่สบายใจเพราะเรื่องไม่สบายมันไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่เสีอหาสถ า, านไม่อยู่ที่อาคาร ความสบายความไม่สบายนั้นมันอยู่ในจิตใจของเรานเองถ้าพวกเราทำหลายขาดคุณธรรมจะแล้วอมันก็เกิดโทษขึ้นมาในจิตใจเราเองเป็นไฟรูปอยู่างนั่นเป็นลาะเป็นโทสะเป็นโมหะเขาใจของเจ้า ข, ของอยู่นี่เรียกว่ามันจึงขาดในที่เป็นคนจนจนอะไรจนความสนมุกจนความสบาย จนความสุขถ้าเราประค่าจากธรรมะจะยืนจะเดนินจะนั่งจะนอนก็คิดคิดจ่อะไรคิดจะทิ้งที่มันจะให้ทุกข์ในใจของเราอันนี้เราก็ยังไม่ได้อันนั้นเราก็ยังไม่พออะไรต่างๆหลายอย่างคิดเพื่อเรื่องให้มันเป็นทุกข์ในใจใจทุกวันนี้เป็นผู้รับภาระมากที่สุด ตาหูจมูกริมตายรับอารมณ์มาแล้วพมาชิ้นหายใจใจเป็นผู้ติดแก้ปัญหาอเรื่องราวต่างๆเต้นทีเหลือเกินเราะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี่มีใจเป็นทุกข์ข้อแก้ปัญหาบางทงก็แก้ปัญหาได้บางทงก็แก้ไม่ได้นอนจมอยู่นั่นเป็นทุกข์มากเหลือเกินเพราะนั้นพวกเราทางไหนนั้น เมื่าห่างจากธรรมะไปเท่าใดมันก็ห่างจากความสุขไปเท่านั้นห่างจากความสงบไปเท่านั้นเมื่อห่ า, หางไปที่สุดเราวก็มีแต่ทุกข์กลุ่มอยู่เป็นลาพระเป็นโทสะเป็นโมหะเข่าฝานิตรดีลาทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์อย่งนั้นเพราะความไม่พอเป็นเหตุเพราะขาดธรรมะเป็นเหตุเพราะขาดสัน คืกระทาคือความยินดีในของที่มีอยู่นี้นเป็นส่วนมากบางแห่งเคยมีมันกันตอนมาเป็นคนจนอยากจะร่ำจะรวยขึ้นมาต่อพยายามขมาหาพระก็ให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ขยันเป็นผู้มั่นเพียรทุกอย่างก็ทำไปทำไปทำไปรวยตอนนักรวยขึ้นมาอีก ก็ลงเงินก็มากลาบก็บมากรถก็มากอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นมาดืนตัวอืมลืมดืดตัวอู้สมัครครอบครัวเราเนะี้อืมลืมตัวทั้งครอบครัวผู้หญิงผุ้ชายมันสกเคลในสามภพุลภายในรูปสวดีในเทียนสวีดีขึ้นก็ดีรถสวีดีเพราะมีเงินเน้น่ ม, นมันมีอำ น, นาจทุกอย่าง เอามือขี้เอาอันใดมันก็ได้ทั้งนั้นไงนี่เป็นเหตุคือความสุขกอดีนตัวถ้ารวยแล้วมีความสุขเด็กอดีนตัวเมื่อดีนตัวก็มันจะไปโอวาทของใครเมียมาอยู่ในโอวาทของสามีสามีมันยู่ในอำนาจของนี่ยต่างคนกับตังฮนะความสุขไปแล้วนี่ก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วรัจสมบัติที่หามาได้มากๆสุดท้าย อ, ม, อ, ม, อ ม, มันสิดหายไปเพราะอันนี้เองอุรมณขัตีของครอบครัวไม่ถูกกันแม่มันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขน่าจะอยู่ประชาประสาททางเกยียรชัน้นเป็นตนก็ไม่สบายถ้าครอบครัวเข้าใจของเร า, าไม่คงกลืนกันเป็นต้นอันนี้ไม่มีสุขฉนั้นความสุขอันนี้ถ้าคนไม่รู้จักเมื่อมันมีมาแล้วก็เป็นห่งปสุดหาย จป็เหตุที่มีโทษมากลาบากมากในความเป็นจริงนความสุขนี้น่ะเป็นของดีที่สุดคือมนุษย์ทั้งหลายยอดาการ์นาของความสุขเกิดมาได้ความสุขมาเนี่ยก็ดื่มตัวดื่มดื่มบ้านดื่มเมืองดื่มตัวดื่มตัวดื่มทุมกสิ่งสารพัดจนคก็ถึงอันตรธานไปอย่างนี้ก็มีข้อควา ม, มสันดยนยินดีในของที่มีอยู่นั่นเอง กนั่นพระพุทธเจ้าของนัง้นเป็นคุณสอนว่าคนขาดธรรมะก็คือคนขาดที่สิ่งขาดที่อาศัยองคนขาดธรรมะธรรมะนั้นมันคืออะไรกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีธรรมะที่ไม่เป็นธรรมะนันนี่นั่นมีเแต่ธรรมะทั้งนั้นเมื่อประการของภายนอกพอดีของภายในพอดีมันก็ควรจะเป็นธรรมะ ธรรมะนี้คือสภาวะที่ถูกต้องอย่างเช่นไมู้เขาเขาวัาวนข้างนอกมันจะเป็นตรงมันอยู่อย่างนั้นมนุษย์เราทํางหลายเกิดมามันจะเป็นอย่างในความสุขมันก็เป็นธรรมะความทุกข์มันจะเป็นธรรมะการได้มาจะเป็นธรรมะการมันเสียไปมันจะเป็นธรรมะถ้าเรารู้จากธรรมะข้างนอก เรารู้จักธรรมะข้างในต่ยินดีในสิ่งที่มีมอยู่เป็นอยู่นั่นเองถ้าคนไม่ยินดีเป็นต้นมันก็เป็นพาดของกิริสมันเป็นพาดของปัญหาหาที่ซึ่งที่อาศัยใ่ได้ไอ้สวาคิดของคนในปัจจุบันนี้กับโบราณกาลมานั่นมันต่างกัน เพราะอาศัยเส้นแววดรอมทั้งหลายเป็นปนหลักของธรรมะอันนี้เป็นบลักที่ยังยืนเป็นหลักที่แน่นอนถ้าคนเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีสิ่งเรื่องของในโลกนี่ก็เป็นธรรมดาในโลกมันก็เป็นธรรมนูญอย่างนั้นและการเคาระคลร ะ, ะทุกวันนี้ก็นับวันน้อยลงไปน้อย พ่อแม่กับลูกจะมีความคารรวะกันอย่างดีเหมือนแต่ก่อนก็ไม่มีญาตมีคนละย่ า, ยาจะมีความคารวกันเหื่อนแฟนอย่างเสมัยโบราณนัการ์ที่มีธรรมะนั่งก็หายากจะนั้น่งคุ้มทำทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมจากจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายมเมื่อจิตใจของเราเชื่อมจากธรรมะ ความั่นยัในจิตใจของมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็มองกันไม่ได้ชายหน้อยโบราณศาสตรเหล่านั้นใไปที่ไหนชะมองหน้ากันอย่างสบายใจสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนึกว่าเขาเสนใจในคุณงามความดีของเราโดยสบายลูกมองหน้าพ่อแม่สบายพ่อแม่มองหน้าลูกสบายเพื่อมนมนุษย์บ้านโดยกัรชะมองหน้ามองตาขณะแสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าความสบายใจในี้ นี่นี่เป็นต้นชาคนมีธรรมะมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประจําใจแล้วมันก็เย็นเยินสมัยี่เท่าจะมองหน้ากันไม่ได้เดินไปมองหน้ามองตายกันไปมองเนี่ยชมัยก่อนมันจะไมายอนไม่ได้ใช่ไหมเดินี้มันคิดไปนในทางอื่นๆมากยึดไม่มีธรรมะไม่ว่าใจกันแม้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ เพาธรรมะไ น, น่มีความไม่ได้ใจกั น, น, น, นนะเกิดเพิ่มเป็นต้นนะท้งนี้เองความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นมาจะเป็นมองหน้ากันในรถในเรือในถนนบนทางเติดเรื่องเหตุวนันมีเรื่องเยอะพอเรื่องให้เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวอเถ้าอะไรเดีวนี้มันมองหน้ากันไม่ได้แล้วโซเราทำร้ายแม้แต่สุนัข ก็ได้ถ้ามันเห็นกันแต่มันเอากันเที่ยวอืมอมันขัดเที่ยวกันเลยทีเดียวมันไม่ไว้ใจกันอืมทุกวันนี้ตัวมันกันขันนันน้อยที่สุดไม่ไว้ใจกันเนี่ยตอนกลางคืนมาทีก็เดินมากลางคืนขอนอนบ้านหนีไว้ใจไหมทุกวันนี้นม่ไว้แล้วนะอืมจก่อประตูปังๆสมัยก่อนตัวมาเลยอืมอ่า นับปลาสายกันไปจากไหนมาเจอไหนอยนนอนว่านอนช่องกันไหสบายตะวันนี้ไม่ได้นะนี่ทำไมเครออะไรเพราะมันขาดจากธรรมะเมื่อขาดจากธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นมันวุ่นวายไปหมดทุกอย่างไม่ไว้ใจกันตรงนั้นฉะนั้นสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ารามาประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั่นธรรมะนั้นยังเป็นของมีสมัยอยู่ ไม่ได้ใช่ไมเพราะวันนี้ยังทําดีพอดีอยู่ทาชั่วมันก็ชั่วอยู่ทําบาปมันก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเก่านั่นเองอืมไม่ได้นอกเหนือไปที่ไหนมั่นธรรมะยังคงที่คนยืนยิ่งจากธรรมะธรรมะยังยืนตัวอยู่อืมฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทางไหนมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้ติดจากธรรมะให้เป็นธรรมะ นอกเวนจะดีคนนี้ไม่มีแล้วโทษต่ า, ามันาเราสร้างความดีขึ้นมานในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันจะได้มีความดีเกิดขึ้นมาถ้าเราจากความดีสช่นนี้ทางความดีเกิดขึ้นมาในโรคของเรานี้แน่เป็นต้นมันก็หมดในความไม่ดีหมดโทษหมดทุกข์ทั้งหลายแต่ถ้วาวันนี้มันพูดกคำยากมันพูดคำยากมันพูดกัคำําบากตวันนี้ ก็เรียกว่ามันเป็นไปตามสมัยของมันอย่างนี้แต่ครูกับนักเรียนของหมือนกันสมัยก่อนเห็นกันโอ้ลัวเด็กสรกครูฝ้าอาจารย์เท่าแก่สมัยนี้นักเรียนกับครูมันมีตัวแล้วมันคือคนมันสนใจว่าครูก็เป็นคนเหมือนกันครูก็เป็นคนสอนเรารัฐบาลของจ้างมันเป็นเจ้างเรามีตัวแล้วจริน มันในจุดภาพเสมอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ในการสรรอย่างนี้มันการชัราวิสรรสอย่างนี้มันขาดไปในใจของคนทุกคนอย่าง ม, มันก็เพิ่นเท่านั้นเนี่ยพ่อแม่กับลูกตัอวันนี้สมัครเพืงง่อให้พ่อแม่มีอำ น, นาจบอกลูกลูกหลานต้องอยู่ใต้ความปกครองถ้าเป็นคนคนแต่อย่างโยเมเนในบ้านนั่นในตำบล น, นั่นะ จะว่าให้ดูร้านคนใดก็ได้แล้วนีว่าในก็ได้ไว่าในได้อทําไ ม, ไ ท, ไมทุกวันมีความรู้คนมันมีความฉลาดแต่คนฉลาดมันโง่คนฉลาดมันโ ง, นมนง่มันก็ยิ่งเป็นทิษกว่าคนโง่มันโง่ไปอีกสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดอืสมัยก่อนเป็นคนไม่ฉลาด แต่เป็นคนในงูในเดียบียงไทยที่แสนสุดอดิศของไทยของมันรู้จักทุกวันนี้มันม่นแหอย่างนั้นตะก่อนไม่เข้ากายกันเย้อนี้มันเข้าฝ่ายกันเทนั้นการทะเลาะวยวอย่างนี้ขาดไปในโลกโลกงูกระเสียมจิตใจมนุษย์ทั้งหลายก็ะเทียมโทรมลงไปคุณสมบัติของมนุษย์มันก็ไม่มี เนั้นการประกอบปฏิบัตธิธรรมานี้ยังดีอยู่ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีเป็นกลุ่มเป็กลุ่มในน้อยถึงวันนี้มันจะหมดไปอือเหมือนทางชาวยุโรปเขา น, นี่เขาไม่มีธรรมะอะไรจนความเดือดร้อนมันขวบขวายขึ้นจนมันรู้ธรรมชาติทู่มันเองดัมนั้มะะนมันก็หันกลับมาหาทางปฏิบัติให้ใจมันเป็นสุขให้ใจมันสงบอืม ธรรมาต อ, นนอา่านั้นพวกเราสงสารนี้กรรมตันนันแหละเป็ น, ป น, นตัวมันลูนตัวลืมตนแ่กกันหมดมไมดูกคารพบูบาอาจารย์มดจากคารพบพ่อแม่ถ้าคนในคารบฆราวากันแล้วมันหมดจิเนั้นขาดจากกันแล้วนิสียาสามีไม่คารบกันนี้ยอุลุกะิไม่ถูกกันแล้วก็แยกทางกั น, นจ่ายนายกระดกสะดอนความเห็นถูกต้องกันแล้ว มันก็แยดทางกันบ้านเมืองมันก็วุ่นวายขึ้นมาแ like ค um, ่นั้นเองทั้งหลายเรานี่เพราะอะไรมันขาดธรรมะขาดการปฏิบัติเพราะอาศัยความโลภอาศัยความโกรธอาศัยความหลงนั่นแหละมันเป็นผิดที่คนเราถอยห่างเห็นจากเจนแบบพุทธศาสนาอยู่บางทีถึงวันนี้ก็ไปฟังธรรมกันต่อบวิวัฒน์กนในวิวัฒนาไปทําไมอะไรกันแตไม่มีธรรมะในใจของเรา ถึงเราจะาการกระทาบุญคนนี่ยมองมองดูสิง า, ง, งานกองบวชก็ดีนะงานกฐิินก็ดีงานบุญอะไรต่างๆแะไรเนี่ยไปมองมองดูเขาทําบุญกันทำไมอืมทำบุญกันเพื่อายุยงส่งเสริมประโยชนให้เทวทิตย์มาเท่า น, นั้นน่ยถ้าจะมาไปมองมองดูแล้วว่ามันทําเพื่อความสนุกกันแต่มองเขาว่าอยู่ข้างในพิธีนะมันเป็นการกระทําบาปกั น, กน แต่เอาบุญมาปุกเรลียนซชให้บาปในมันหายไปทีพอบุญพระวันิารตะคนคนนึงเกิดขมาชื่อว่านายบุญแต่ว่าทาแต่บาปเพ้าก็รเดียวไม่ไว่านายบุญนายบุญแต่ว่านายบุญนั่นไม่เคยดูจักบุญสร้างตั้งแตความช่วตัตัวเขาก็เดียวว่านายบุญนายบุญยังไงดีสร้างกะทาบุญรัวนี่เหมือนกันตรงนั้น ทำบาปสักเทก็ตามเถอะก็เดียกวกับุญเพราะอาบุญไปเปลี่ยนทำบุญเทไรจนต้นยิ่งทำจนเนหตุต่าลงไปถอยมันลให้น้อยลงไปแต่เราเป็นบรรักบุญใจบาปไปฉะนั้นทั้งคุตะวิทยา ท, ทั้งหลายก็ชอบจะเห็นอย่างนั้นอันนี้ข้อขาดอะไรข้อขาดการปฏิบัติอย่างแท้จริงพ า, ายุกสิวิตาตามชาวบ้านของเราลง การจมีศีลห้าศีลแปดนี้มันจะมีกี่นคนในสมัยนี้นอกจากคนคนโบราณโบราณยังเหลืออยู่บ้านเต่าคนสิบนคนแต่สนใจใ น, นักในปัจจุบันนีเนะ้อที่สุดจะมจะมีศินอยู่ท่จะสนใจในสิ่งทั้งหลายนี้น ท, ท, ทํากันไปก็ทำไปไปว้มาทําบุญก็ทํากันไปทําไปอย่างนาบุญทำอะไรแต่ทําบาปยุบเรืองว่านบุญ มันจะเป็นบุญอย่างนั้นเนี่แต่ว่าอบุญของไงบุญแต่ว่าการกระทํามันผิดมันเป็นบาป ท, ทีนี้เมื่อเราทำไม่ถูกความเห็นเราก็ไม่ถูกต้องเมื่อความเห็นไม่ถูกต้องทีนึงก็เปลียนไปอันเนี้จะมาใส่ปากเตือนลหลายแห่งการกระทำบุญชิ้นสิ้นทานนี่มันเสียเข่าเสียของนะเรานานๆทําบุญเีหนึ่งนะบางทีทําบุญจ ะ, จะสู้คนอยู่เฉยๆไม่ได้จะมี ถ้าเขาไม่ทำบาปราะนั้นเขาก็มีดีอยู่แล้วเราทำบุญสามวันสามคืนแต่ทำบาปสามวันสามคืนนี่มันจะถูกเขาไม่ทำบุญไม่ไถ้าอยู่เฉยๆอยู่เขาก็ไม่มีบาปเนี่ยอันนี้ให้รู้จากบุญบุญนั้นมันจะความสนุกไม่ใช่ความสนานแต่ทำแล้วเกิดความกะดุดเกิดความจังรื้อเมื่อคิดนิดพิจงห์มาถึงเอื้องอันนี้จังสองครั้งหงตา ลดมาน่ะทิฏฐิลงไปให้ใจเข้าสูส่ธรรมะถึงความสงบในส่วนจิตมันเป็นบุญอือันนี้ทําบุญจันก็ไม่ะถูกนี่คือนั่นทำบุญใจคนก็ไม่เป็นบุญเพราะในถอนทําบุญเพื่ออะไถอนที่ิฏฐิโดยจากใจของเราแมาทําบุญก็เพื่อจะเอาบุญอืราะนั้นาการละบาปนั่นไม่มการละทุกข์จิดไม่มีบุญมันก็เกิดขบุญได้บุคคลทําบุญในสมัยนี้ชอบทําอย่างไงจ๊ะ กินเหล้ากินยาทันเดินอะไรต่ง áng, างๆนานาทุกอย่างอย่างนี้ถ้าฟังเพื่อต้องชนะต่อเพือใจั้นเถิดไปชั่คราวเรามาจินกันแต่นมะมีมนสะเถิดไฟังเถิดจะง่วงเหงา้นอนอยู่ลำพานถ้าเพื่อใจถ้าเพื่อจะลาพานใจจะตายไปแล้วนะตอนนั้นน่ะมีชีวิตมันเหนื่อยเมืออ่อไรจะยุดเนาะ ไม่ได้ ะ, ะ, ย, ะยุดเนาะนำานเนาะไม่ได้ะยุดเนาะไม่คิดว่าจะเอาความฉลาดในธรรมะนันไปปฏิบัตินำคานใจแบบนั้นนะบางแห่งเงๆมีว่าเอ้ยในพวกเรทั้งหลายให้ทางให้ทางท่านอาจารย์ท่านจะกลับวัดไรแล้วีิเาล่าวะได้พระไม่ออมีไม่รู้เรื่อ ง, อ, งอย่างนี้กนะ็มีนะ นี่นี้ใว่าการทำบุญไม่ผูกบุญนะไม่หนูพบบุญกันใจนนบุมันจริงจินบาทมันขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้แสบโดยมากในปัจจุบันนี้นี่กนั่นครอบชาวพุทธเราทางไายจริงไม่สรรมมามสนาธรรมะแม้ในศาสนาธรรมะเรื่องพุทธศาสนาแล้วมีปลื้มไปเท่านั้นนะมันเป็นกระดาษทองคำใบหนี่งเขาทิ้งไว้เขาไม่สนใจกัน ถึงแม่เนื้อมันจะเป็นทองคําอยู่เป็นต้นมันก็มีเกิดประโยชน์แก่คนธรรมะที่ทำคนพูดไปนั้นเป็นความจริงเป็นความดีถ้าคนไม่เอาไปคิดปฏิบัติแม่เป็นต้นในคําพูดอันนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรออาหารที่อริดอร่อยเป็จริงถ้าบุคคลไม่เอาไปบริโภคแล้วมันจะมีประโยชน์หรือมันจะหมดความหมายอย่างนั้นพระพุทธพระธรรมพะสงฆ์เต็มเต็มทีทึงของพวเราทั้งหลายอย่างดี ถ้าเร า, าเอาเป็นพึ้นจริง ๆ, ๆแล้วอือันนี้จะไม่มีประโยช์อะไรไมีประโยชน์ะไ ร, ม, ม, ร, ะะไรมันมีสาระอะไรอย่างนี้คนทําบุญมาเห็นบุญคนทําบุญมาเห็นบุญอืมนี่มันจะ ม, นมีอะไรดูดดีน้าไปแล้วมันตกทลายมดภูสิงห์ทุอย่างอันนี้ในขวดถึงวาโยมขวกพราเจ้าประสงค์สมทัตนทุนวันเนหลวพุทธบริษัทของเรามันเสื่อมไปโดยทีอันนี้ จะปฏิบัติตามธรรมะการสั่งสอนของพู้พุทธเจ้าขนนนท่านหน้าที่ให้เราเป็นพระก็ไม่มีกันเนี่ยมันทั้งสองฝ่ายไอ้ผู้ต่ประวัติศาสตร์ทางไหต่ออย่างนั้นอนทีนี้ไอ้รแกรามันจริงถึงความเฉื่อมความเฉื่อมตามความเป็นจริงแล้วนั้นอนความจริงเนี่ยยันตั้งอยู่ใครจะปฏิบัติตามอันนี้ก็ยังยังไม่เฉื่อม จะปฏิบัติตามมไหมปฏิบัติตามมอันนี้ท่านก็ไม่เชือความดียังสั้งมันดีอย่างนั้นแคะนั้นมันเป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์แค่นั้นความสุขทั้งหลายนั้นไม่เดียวกว่ามันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ต่อทั้งหายถ้าเรามีเจตนเ์เกิดีหม า, หาเศรษฐีทําใจ ใ, ให้ถูกต้องตามธรรมะให้มีความสุขมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่งนั้นสร้างบ้านสินนังหนึ่งสวยแต่เราไม่มีความสุข แม้จะนอนอยู่ในบ้านนั้นก็จมีเกิดไปอยู่อะไรมีเกิดทุกข์ทางนั้นอันนั้นมันของภายนอกฉะนั้นแร่พุทธเจ้าเราให้สนใจของภายในคือจิตใจของเจวของนี้เองถ้าเรารู้จากโรคสักเมื่อไรเป็นต้นมันก็สบายเมื่อนั้นถ้าเรามาดูจากโรคแค่อย่างเดียวอันนั้นเป็นผลบุญบายกันทั้งปฏิบัติทั้งบ้านเมืองทั้งครอบครัวทั้งตัวเองก็ดีเป็นต้นถึงเหื่อจะจจนมันจะเป็นทุกข์ถึงเหื่อจะรวยมันจะเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเนี่ย อืมเพราะความคิดผิดนั้น อ, อันนี้ตรงนันกันทันแน่อัตอมาเห็นว่าอายุผ่านี้แล้วช่วยโลกมาก็พอสมควรนะในช่วยโลกก็พอสมควรแล้วช่อยธรรมะอาวุธศาสนาก็พอ ส, พลลคสมควรอืมออย่างเช่นตอนคือมาเยี่ยมวันนี้นะอัตอมาบาอกใส่พยางาีพิายออกมาตั้งตัวให้มันให้มันสบาย เอาสมบัติของเราก็้าไปไว้อนใจของเราจะดีในบูดวายชีวิตอินทรีย์ของเราเนี่ยนะเราทาปัญญากันเลยนะอยู่ที่วันอย่ที่อ่เดือนนี้ไม่รู้นะบางคนอยากรู้เจอวันเกิดอาจจะมาไปแล้ววันเกิดก็ยังไม่รู้อีกบางคนเขาไปเสียงอยารู้ทำไมถึงรู้แม่บอกแม่ พ่ อ, อบอกเนี่ยพอเขาบอกมาบางทจีจํากิดจะวางไงไอ้ความเป็นจริงมีวันเสียดแล้คนไม่รู้วันตายคนไม่รู้เยอะทั้งสองข้างบัดนี้ทั้งสองอย่างนี้แหละมันไหวใจซะด้วยนะไม่มีทางที่จะไหวใจเราะนั้นธรรมาเห็นว่าควรควรสร้างกิดของเราให้รู้จักให้ฉลาดถ้ากิดเป็นคนทํางานถ้าคนทํางานไม่ฉลาดการ ง, งานมันก็เลว ถ้าคนทํางานโง่เป็ น, นต้นการงานทั้งหลายก็ไม่ดีอดูสิคนเรานี่นตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งดิ้นหนึ่งตายเ <c oughs> าหลับมาเฉยๆเขาก็มาทึ่นหายใจทางนั่นนะเขาไม่รับรู้เขาไปข น, นมาทึ่นใส่ทื่งใส่ทื่ น, น, นใส่ห้ใจเป็นคนทํางาน <c oughs> หายใจเป็นคนทํางานทําไมเราจะไม่ตลองฝุดใจใหายฉลาด ถ้าใจะราไมาดนั่นก็แย่ขนาดไหนเขาไม่ทางานตาเขาไม่อยากใช่ไหมเขดูมาได้เขากร่งให้เราหก็ฟังม า, าได้เากระชื่งให้เราจมูกเขารับมาแล้วขากระชื่นให้เรากายเขารับมาแล้วขากระชื่ให้เราแ้าเราเป็นคนโง่มันก็เป็นท่ายของจุดดือดกัญหาทั้งๆมันกบฏคนลางตอนนั้นแค่นั้นอาจะมาถึงว่าอายุผ่านเนี่ยควรมาภาวนาเนี่ย ืในปัจจุบนันนี้ที่สร้างคนงานควาดีมาในอดีตก็อพอควรแล้วมาถึงปัจจุบนันนี้อายุหกสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วนี่นะอื <c oughs> สร้างอะไรขึ้นมาอีกโ <c oughs> ดหลายอย่างมันมีความสงบถ้าหากว่าเราไม่สร้างในตัวของเราอีกมันก็ลําบากนะอืม่ลำบากมันลาําบากสกุลพระเจ้ า, าของเราก็เหมือนกันเั้นนั้น การบำเพ็นมาพอสมควรแล้วท่านก็วางภาระท่านก็ปล่อยภาระวางอายุสังขารปงอายุสังขารหมายความว่าอยู่ให้สงบหยุดทางนอกให้มันน้อยการสั่งสอนประชาจารย์ต้อให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อมาสอนสมองให้มากเป็นต้นเมื่อประิ ม, มโอวาทของท่านเมื่อท่านจะไปก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เราก็เหมือนกันฉันนั้น แต่นั้นอย่างน้อยก็ต้องให้มีสิ่งห้าประจําเราไว้เป็นสมบัติของมนุษย์เราศิ่งห้าเท่นี้พอแล้วมนุษย์นเราไม่ต้องอะไร ม, มากมายจะหาสุ่งอย่างชีวิตอย่างไรประจั่งมันต้องให้เป็นสมาชีวะมันจะร่ำจะรวยไปทังไหนประจั่งมันเยอะให้เป็นสมาชีวะทึ้ง น, นี้เรามันยังจนอยู่แต่อย่าทิ่งสมาชีวะอันนี้เป็นหลักที่สําคัญมากที่สุดที่จะช่วยเราได้ อ น, นุเชื่อได้ไม่ได้รอกเชื่อแต่กระเดียบกรดาษเทนี้อืออืออันนี้เป็นศีธรรมอนี้อันนี้เป็นกนเป็นกันของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่ต้องอาศัยอันนี้เป็นอยู่ท้ า, าสวดมนต์ชำรทานตึงถึงหาสตาลเพื่อเป็นข้อวัดปฏิบัติลดละได้สวายฆาบางสกุล เพื่อเป็นสนะาคณะประโยชน์ในวันนี้เสร็จแล้วต่อนนี้ไปเป็นโอกาส ท, ที่นเนือสาธุชนทั้งหลายที่มีสถานะวันนี้จะได้รับโอวาคํำสังสอนขององค์จมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้ที่จะนั้นยัียงประการตั้งใจให้ดี ตั้งกาให้ดีสั้งใจให้ดีเพื่อจะรับธรรมะคําสาอนขององค์งสมเด็จพระธรรมสําพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรันเรียนว่าวันคืนมันร่วงไปลาย่วงไปบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้เป็นธรร ส, สอนของพระพุทธเจ้าที่จับเตือน พวกกาพุทธทั้งหลายให้มีสติให้รีบหูรีมตาขึ้นมาตูธรรมะแล้วก็ให้เห็นจิงทั้งหลายตัณฑ์รอบๆตัวและในตัวของตัวและรอบๆจิตสาในจิตทั้งหลายว่าซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมาไม่ว่าภูมิชนเรารายแม้ตั้งแต่พระสิทธิ์สูง เป็นต้นไปถึงชาติสถานบางกลุ่มบางหน่วยเป็นต้นทุกอย่างเพื่อตั้งออกไปให้ความสุขเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนด้วยแก่ตนื่วยนั่นเป็นต้นเรื่องแก่พวกเราทางด้ายได่ลึกอยู่ว่าวันคืนร่วงไฟร่วงไฟบัดนี้เราทำอะไรอยู่ อันนี้เป็นหลักเรือนให้รู้จักว่ามื่ให้เราประมาทในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนทุกประการจะมีราจะมียศจะมีสันเสซนยินพาทุกประาการประการติดขอแต่พวกเราทั้งหลายนั้นให้มีสติอยู่ว่า วันกับคืนที่เราเคยผ่านมาเนี้ยทุกคนเคยเห็นมาเป็นเพ่นมันเนี่ยเลยขึ้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันล่วงไปล่วงไปขนาดนั้นมันก็จากเราไปเราก็จากเขามาต่างคนต่างเดินไปนคนในทางวันคืนมันก็นเดินไปอย่างหนึ่งชีวิตเรามันก็นเดินไปอย่างหนึง ต่างคนก็ต่างทางออกจากกันไปทุกวันทุกวันมดวันมดวีมดเดือนมากเท่าไรที่ยึดเราทั้งหลายก็หมดไปในนั้นเหมือนกั น, นเพราะว่าต่างคนต่างเดินออกจากคนได้ทางเป็นต้นยฉะนั้นเราพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าให้ดูวันและคืนที่เราผ่านมานี้ ยี่เลยคนมายี่จนะมันล่วงไปล่วงไปท่านใ้มองเห็นตัวเราว่าวัดนี้เราทำอะไรอยู่เป็นต้นนี่คือให้มองดูตัวเจ้าของเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่มั้ยเราทำอะไรอยู่มั้ยเราคิดอะไรอยู่มั้ยมันถูกต้องมั้ยหรือมีความคิดโดยการใดนั้น ขอพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจงเตือนด้วยตนเองดู็นเองเตือน็นเองครูบาอาจารย์แนะนำสั้สอนพวกเราทั้งหลายนั้นเพียงแต่ว่าชี้ทางให้ดูเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านกสอนและต้องก็ตรัสว่าอัตตาโลสถาคตตาพระตถาคตเพ็นต่ครูบอกเท่านั้น หมดทันนี่อ น, นั่นไปอันนี้เป็นภาระของพระพุทธเจ้าสอนภาระของพวกเรามีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหรือเดียดมาหนึ่งว่ า, าพระพุทธองค์ท่านนำตัวเราทาั้งหลายมาสู่จุดเ้นทางนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่นี่นะนี่ทางไปถิกต้อง อันนี้ทางมันผิดอันนี้ทางมันถูกเจนต้นฉันบอกคุณฉันบอกนนท่านในแถวนี้หน้าชื่อของฉันมีแถวนี้เมื่อ ห, หมดภารานี้ฉันจะกลับบ้านฉันต่อ น, นี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกคุณท่านทั้งหลายนั่นจะเดินไปจะเดินไปในทางไหนก็ได้แต่ว่าทางนี้มันผิดนะเดินไปแล้วมันแดดร้อน ในทางนี้มันถูกคุณผ่านทางหลายเดินไปมันมีความสงบมีความระงับหน้าที่ของเจาคตาทพูดเท่านี้แล้วก็กลับไปต่อ น, นั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าพลศรีสัต ท, ทั้งหลายที่จะเดินไปในทางไหนหรือหยุดอยู่หรือจะเดินต่อไปหรือจะเดินไปนางทางไหนนั้น เป็นหน้าที่ของชาวพศบริษัททั้งดลายที่จะดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นของง่ายๆไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่แบบนันเป็นของลำบากเมื่อเราทุกคนได้คานึงถึงวันเด็กคืนมันร่วงไฟร่วงไฟอยู่เสมออย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะ ม, มีความสมาธิผู้ที่ไม่มีความสามารถนั้น คือผู้ถึงพระพุทธจนียงถึงพระธรรมจนถพียงเพีงถึงพระสงฆ์จนเึยงเพีงดังนั้นดังนั้นวันนี้ไอ้ผู้การท่านก็มีเมตตาไอ้อภัมยาสออย่เตา ม, มีสองอย่างเมตตาธรรมาภิหารอย่างหนึ่นองเมตตาอภัมญาอย่าง เมตตาสรมาิหาร น, านั้นคือรักเจ้าที่ของเรารักเจ้น้องของเรารักเจ้ญาติของเรารักเจ้าตัวของเรานี่ก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่ในเมตตานี้มันแคบมันแคบเตินไปอันนี้เป็นเมตตาสมาธิหารไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่ง อยู่ห่างก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามเป็นต้นทักทวนให้มาวัดหลวง ป, ปูง่พงศเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาถวายผ้าบรรจุภูเพื่ออุทิศส่วนตัวต น, นนี้ให้เตินเต็งแะให้ญาติทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วและทางสัตว์ทางหลายเป็นต้นที่เป็นเพื่อนเกิดเจ็บเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นให้มีความสุขความสุขทุ ก, ทกทัวตน นี่เป็นเมตตาอัปมัญญาหาความสม่ำเสมอมิได้เป็นศาสนาประโยชน์เมตตาอัปมัญญานี้เป็นเมตตาที่สูงส่งเป็นเมตตาที่สูงสุดมากที่เลียงเพราะว่าความรักความใคร่ไม่เจาะตัวไม่เ จ, เจเาะตรงแต่มีความเห็นอันสูงหยุดอันสูงเห็นนี่เห็นว่าสัต ในมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเกิดด้วยกันเคลื่อนแก่ด้วยกันเพื่อนเกลื่อนเพื่กันทั้งนั้นเคลื่อนตายด้วยกันทั้งนั้น น, น, น, น, นี้ฉะนั้นจนึงยินดีที่ใกล้ชิดกันเมื่อผู้มีธรรมเมตตาอัปปัญญาแล้วแต่เพราะคนที่ตรงไหนที่แก่กว่เราจะน่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เรา เป็นตาเราเป็นยายเราเนี่ยพบที่เสมอสม่ำเส ม, สมอต้นก็ได้เป็นลุงยึดเป็นหน้าอะไรทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพบชื่อย้อนกับเรานั้นก็ไม่ว่าเป็นอา เ, นเป็นลูกเป็นหลานอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นยฉดขนานความจริงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะ อภิมัญญาที่สูงสุดนี้เรียกว่าเป็นเือตาสูงตรงถ้างั้นถ้าคนคิดเช่นนั้นเรียกว่าเมตตาอันสูงเพราะเรเห็นคนคนนั้นและคนคนนี้เหมนกันถ้าคนคนนั้นกับคนคนนี้กับเรานี้ก่อเมือนกันไม่มีแตกอะไรกันแ้ไหนเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยเป็นต้นจนกระทั่งพอวะสภาว่าเชว่า รูปร่างคนเราทําไมมันก็คอยไม่คอยจะเหนื่อนกันจิตใจบางอย่างทําไมไมันก็อคอยจะเหนื่อนกันออย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันเป็นเพราะตามจำเหตุตามทำที่มันจำเแตุต่างกันในเหนื่อนตันและเราทุกคนควรไปสังเกตมีอัตมาตะเกียงสังเกตดูนะไปที่ารณาชมชนบางอย่างะคนต่างหมืนต่างแสนนะ แต่ว่าหน้าตาไมาส่สมเหือนกันเลยนะอืไปคนในลูกแล้วก็ไปคนในล่างแล้วก็ไปคนในอย่างนะอืแต่ยังพอดูได้ทุกคนทุกคนให้เหมือนกันจริงๆริงมันไม่มีเลยแสดงว่าไอ้ลฝนของตําเนี่ยเป็นผู้ฉลาดมากเป็นผู้ฉลาดเฉลียวมากในการปรับปรุงหรือแต่งร่างกายแล็นจิตใจมนุษย์ทั้งหลายให้ต่างกันมากทีเดียว ทิ้งเงี้ยจิตใจมันต่างกันเป็นมต้นก็เพราะกรรมบรรดาลที่เราไปสร้างไว้นั้นมันตกแต่งกรรมกรรมที่สร้างนั้นนะเป็นกรรมมรรตยังเป็นช่างดีจิตทุตานกว่าในร่างสุกวันนี้ด้วยเป็นมต้นเริ่โครงกระดูกในนี้ในตู้ในรูใช่เราจะมองมองดูอัตจันทร์มหัตจรนทร์โดยอกรรมมรรตเนี่ย ในช่งางตกแต่งเยบร้อยทุทธการ น, นะเออแล้วก็แต่งล่างอะไรมาแล้วก็พูดใดร้ลลองเพลงก็ได้น้องให้สะเปพริยะสารพัดอย่างนะแต่เราทํารูปร่างสวยได้พูด ไ, ได้เดือดเหม็นไดนะไม่ใครจะเป็นอย่างนี้จริงด้วยวัดกรรมนี่มันเป็นของที่สําคัญนะด้วยวัดกรรมมาทิศทำอะไรได้พนนทุทธการได้ดีเยอนี่ อันนี้เป็นต้นนี่กรรมรรมมันตกแต่งมาให้แตกกันไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ชนนที่พวกเราทางหลายนั่งอยู่ในกลุมนี้สมมือนกันแม่จิตการงานจิตใจรูปร่างเป็นต้นแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันในฐานะที่ว่าเรามีความเกิดมาเสมอกันแล้วจะมีความเจริญมานี่มันก็เสมอกัน คน ท, ที่สุดมีความระลายไปเป็นยังายนี่มันเหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ลักษณะอี่ต่ำทําให้เหมือนกันโดยลักษณะอย่างนี้มีทังเหมือนกันด้วยมีทั้งแตกต่างกันด้วยเาะฉะนั้นต่ำนี้จึงเป็นของกําพันเพราะฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราสังไห่นั้นจะคิดไปที่ไหนก็ไม่จบจะคิดไปที่ไหนก็ไม่พ้น ถ้าเราอไปทำของเราตอนนี้มันเลยหมดนะเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะตอนนี้ทำเราเป็นเพราะอันนี้ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอันนั้นเห้เราเป็นอย่างนี้หมุนไปหมุนมาเอาควาจริงมันไม่ได้เลยคนจะฝึกอะไรแล้วจะทำแล้วก็สบายขึนะแล้วสบายไปด้วยในนะสมัยนี้ทำนั่นก็เปลี่ยนกันเป็นดวงนะ คนสมัยใหม่นี้เวลาไปตามดวงเอาแต่ดวงมันจะเด็นไปดวงมันเป็นยังไงมึงก็ไปอย่างนั้นแล้วจะดวงไอ้ดวงนั่นก็คือกรรมนั่นเองแหะเป็นภาษาธรรมะมันเรียเป็นกรรมแต่อัที่ว่ากรรมมันในสมัยมันในทันสมัยสมมติว่าดวงมันเหมาะเจาะในเวลานี้กับคนสมัยนี้เราเรียกมันเป็นดวงในความจป็นจริงก็กรรมนั่นเองละ แต่แล้วแต่ดวงมันไปตามดวงมันมันก็สบายนะถ้าเราคิดไปถึงขั้นล่างชั้นบนแล้วก็เยว่มามันเป็นไปเพราะตามแล้วแต่ทำนี่ก็หมดเรื่องแล้ว้วนเรื่องจะสบายสุดที่เราจะค้นสุดที่เราจะคิดสุดที่เราจะฝ่าฝืนอะไรทางนั้นไอ้ดวงก็ตามนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นคำสมมติทางนั้นไอ้ท่นั้นพวกเราทั้งหลายนั้น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 สายตาตาเป็นต้นซึ่งมันจะมีความเห็นแย่งขึ้นมาตรงนี้อมันปรากฏตาขึ้นมาที่มันฝ่าฝืนจิตใจมนุษย์เราตั้งหลายนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นกลัดอันนี้เป็นต้นอืไม่ตรงไปตรงมาเพราะอะไรเพราะปัญญาเรามันน้อยไต่ท้ากระบีมีไหมมีไหม ขนาดหนึ่งยาวประมาณเมตหนึ่งนะเราจะเหยาะเขาในรูนั่นรูน่ะมันยาวสองเมตรนะแล้วก็เหยาะเหยาะสบาปนะไม่ถึงนะมันตื้อไม้เราเรียกว่าไม้มันชันนะไม้มันชันแต่ความจริงๆรูมันยาวรูมันตืกไม่เรามันถึงชันถ้ารูน่ะมันตื้อไม้น่ะมันก็ยาว ทำมันเต็มจะมือจะว่าไม้เรามันสั่นจะด่างจะว่ารู้มันรึจะด่างอย่างนั้นแล้วตอนคิดถอยไปถอยมาอย่างเช่นว่าในกลุ่มหนึ่งใจกคค็ค่อยจะถูกมาเหมือนกันนะการทําจิตกับการางาน ต, ต่างๆนั้นมันสวนคาสอนของพระพุทธเจ้าบางอย่างขึ้นว่าฉันนะทาดีก็ไม่ค่จะได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นคือทํำดี ทำดีแล้วไม่มีคนว่าดีไม่ควจะได้อันนั้นไม่ควรจะได้อันนี้ตามสมสาธนาของเรานรามมก็น้อยใจแตเรามาคิดว่าถ้าพระองค์าตรัสว่าทําดีได้ดีเนื้อเราทําำไ้เราทําทดีเป็นนทษทําแลนะ้รก็ไม่จะได้ไม่ควรจะให้อะไรมีแต่คนอิจฉามีแต่คนปัญญาบาัสมีแต่ทําดีไม่ได้ดี ทำพูดนี้แต่พุทธเจ้าของเราเนี่ยพูดผิดแล้วอ้าเราทำดีอยู่ทาไมไม่ดีอย่างนี้เป็นโทนไม่ใช่ เ, เตลิดูต่อพุทธเจ้าก็ได้เพราะพุทธเจ้าเนี่ยพูดผิดก็ผิดที่เราทําดีไม่ได้ดีอย่ีจะคนว่าให้เราดิษฐาเราเขย่าบาดเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความเห็นผิดของเราถึงแม้ว่าเราทําดีอยู่ถูกต้องอยู่ให้จะว่าเราไม่ดีความดีของเราเขยังมีอยู่ เราความชั่วอยู่เมื่อไรใครชือ่าดีเป็นต้นความชั่วเราไปยังมีอยู่อย่างไม่เป็นไปตามคนพูดอันนี้หลักอันนี้ไม่มีเสียหายแต่เราจิตใจของเราเป็นต้นไม่มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นถ้ารำทำไม่ดีเขาก็ว่าดีกว่าดีใจอย่างนี้เป็นต้นทาดีอยู่เพราะวะาไม่ดีกว่าเสียใจอย่างนี้เป็นต้นเพราเราปัญญามันน้อย ปัญญาในถึงปัญญาในทิ้งที่มีความทุ่มทุกมเสียสนานในความเปจริงที่หลายความดีนั้นออพวกเราเราท่านทั้งหลายคิดดีให้มากให้ดีทำดีนั้นมันดีเลยล่ละเมื่อเราจะทําดีคุดเฉื่อยมันจะมีความดีแล้วเมื่อไปทําทอยู่มันก็ดีอยู่เมื่อทําเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ ที่ว่าไม่ดี น, ะ น, น, น, ดาานั้นนี่ก็คนอื่นเขาอิกฉาภยบาปของท่านคือคนมีรู้จักดีนะนะถ้าคนมีรู้จักดีมนาะท่วงมาไม่ดีนะแล้วก็เลยเป็นคนไม่ดีไปทั่ ว, วเนียไปเท่าสร้างขท้าเลยนะครแล้วก็เป็นคนไม่ดีคือนี่เวลาทาไม่ดีเสียอกเสียใจอย่างนี้นดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เรียนธรรมะไอ้ธรรมะที่มันตรงไปตรงมาอันนี้มันถูกเพาว่าผิด ก็จริงอยู่เจอความถู ก, กมันยังอยู่อย่างนี้ไปที่ไหนเราทําผิดจริงๆแต่เคนอื่นเรามันผูกอันนั้นก็ยังมีผิดอยู่นะมันไม่ผูกไปที่ไนทั้งนั้นแหละอันนี้คือของเก่าอันนี้คือทำเก่าไม่ศูนไม่ผีไม่ไปที่ไหนอันนี้เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาทําไมเมื่อเราตั้งใจทําดีวางที่ทําให้ไม่ดีทำเป็นเคราะห์อะไร อันนี้เราก็ควรหวนอรุณใจได้หลายอย่างอยที่ว่านาเราดินนาเรามันดีหรื่องเกินเกิดผลไม่เคยจะดีนะนามันจะดีเป็นไม่ได้ดินมันดีเรื่องเกินก้าเรามันไมเคยจะดีนะนาเราไม่ก็ไม่ดีได้นะนาเราก็ดีกล้าเราก็ดีดินนาเราก็ดีแต่จะของที่เสียอย่างนี้เป็นต้นอความดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ อย่างนี้เป็นเพิ่ให้เราหวนอดุสริย่างนั้นเป็นเ้น่มคือนี่เราสั้งใจดีเราเป็นคนดีเราทําดีเราจะต้องทํางานในกลุ่มของคนดีอย่างนี้ไม่พ้นมันต้องดีทั้งนั้นอืมในเงื่อนทางว่าผมทําความดไมอยอยามีไม่ค่อยจะไม่ค่จะได้ดีนะ่ออันนั้นควรจะพึ่งน้อยใจเลยอาจจะมาเตือตอบว่า คุณเคยทางานนํากลุ่มคนดีหรือเปล่าถ้าคุณในทํางานนํากลุ่มของคนดีมีคินทำแล้วมันก็เลยดีทึ้นนะอันนี้ถ้าคุณจะในทํางานในคนที่มีชื่ตรงที่สัดสิทธิจิตต้องเป็นไปตารสภาพของมันอย่างนั้นอย่างนี้ความดีมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปทําที่ไหนมันดีที่นั่นแต่แบบก็ดีที่นั่นแต่ก็ขเนไา คทำชั่วใ่ตรงไหนมันก็ชั่วตรงนั้นทำดีตรงไหนแต่ดีตรงนั้นแต่ดีนั้นมันเคื่นมาห้คนอื่นเห็นมันคลืนจะมาในจิตใจของเราอัตโนโจทยลักกาังสะพุัสเจ้าสอนแต่เจงเพียนตนด้วยตนเองเวทไฟวนมาถ้าพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็พึ่งตัวจะของแต่นั้นเปิดประมาณนี้เพราะว่าคนดีดีเราเห็นอยู่ความชั่วเราเห็นอยู่ ในความผิดที่เราก็เห็นอยู่ความถูกที่เราก็เห็นของเราอยู่เช่นั้นเราชนตนของตอนอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อขึ้นคนอื่นไม่ได้ก็กลับมาขึ้นตัวตนนั้นเองเป็นต้นองค์สมเดชพรรมาสพุทธเจ้ากันแต่จนชั่วหลยพร ะ, รพ ะ, น ใ, นพระในการต่อไปนี้ธรรมะมันจะเรื่อนดอยอยิ่ในมันจะเรื่อนดอยผู้ประพฤติปฏิบัติมันจะเรื่อนดอยไปเช่นนั้น หาเพื่อพึ่งพางยอาศัยโดยยากแม้เราจะประพฤติทำ ม, มันดีท่านจึงบอกว่าให้ท่านกะเวิ้งหาไปเจอท่านไปในส่วนนี้ถ้าทําไม่เป็นธรรมท่านไปดีไปทางโน้นหาสิ่งที่เป็นธรรมเถอดถ้าคิดใต้ก็ไม่มีคิดเหนือก็ไม่มีตะวันตกก็ไม่มีตะวันออกก็ไม่มีแล้วขอให้ท่านเดินไปเจอองค์เดียวเถี่พระพุทธเจ้าตรัสส อ, อนยอย่างนั้น อาใช้ตนเป็นพื้นที่ข อ, องตนไปเหมือนกับกันอแล้วฉันว่าอย่า ง, น, าางนั้นเมื่อกวนการผันนั้นทีนี้ไอ้ความสามสัคคีพท่มเพียงกันทั้งหมดนั้นในกลุ่มที่ดีนมันดีอย่างนั้นนะอยากจะพูดถึงสิ่งที่นนนในดีนะมันจะลำบากน่ะอืเหมือ น, นอ่าเหมืนอนหมาฝ่ากับรูปแกะนะมันจะมาเคยเป็นนักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องหมาป่าปกับลูกแกะนะ ห ม, ม, มาป่านันไม่อยากจะกินลูกแกะ ม, มันก็หาว่าลูกแกะมาขวนน้ำมันลูกแกะแต่ว่าผมไม่ได้ก่วนข่วนวันนี้ผมไม่ได้ขวนวันนี้ผมไม่ได้ข่วนมึงไม่ได้วนวันนี้เมื่อวานนี้มึงข่วนวันนี้ผมก็ไม่ได้ขวนครับ มึงมีว่วนพ่อมึงก็ควรพ่อผงทำไมไปควรครับพ่อมึงมีควรปูมึงก็ควรไอเรื่องขางมันมันจะกินลูกแก่มาเ่อง ม, มาหาปลาเนะอืมะมันหาเรื่องจะกินลูกแกนะทำยังไงมันจะไม่ถูกเพราะอะไรนี่คือไปทางานต้อคนที่มีสิทิัดดีขนาดนะนี้มันก็ว่าในดีนะทาไมมันต้องกินลูกลแก่กับมาป่า หมอป่ามันกินดุกอะไม่ควรเพาว่าควรไม่ควรวันนี้มันก็ควรวานนี้วันนี้หมป่าจะยอมชดว่ามาไม่คนรึงินละควรพ่อมึงจะควรพ่อผมก็ไม่ควรพ่อมึงไม่ควรผมมึงจะควรคือมันจะกินดุกอะนี่มันเป็นอย่างนี้เอาดีไม่ได้อย่างนี้ก็สุดยุไสแล้วพอพระเจ้าเดี๋ยวทําดีก็ได้ดีนั้นมันยังตรงไปตรงมาอยู่ ยังคงตอบคงว่าอยู่เสมอไม่เสื่อมไม่เสี ย, สยหายไปที่ไหนเลยอันนี้ควรี่จะนณาให้มาดครับไม่ว่า จ, จะควรคนแล้วไลยซึ่งอยู่เป็นปกติสงบระรับนี้ก็ต้องมือผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองผู้ความเป็นธรรมเถิดพวกเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นก็มีความคารพบมีความคารวะต่อครูบาอาจาร อย่างนี้เป็นต้นความเดือดร้อนมันจะเกิดมาจากที่ไหนไมมีมารอกแต่มันเป็นธรรมอย่างนี้จะร้องที่แบ ม, ม, มันมาก็ไม่มาความเดือดร้อนถ้าความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนี้แล้วเป็ น, นต้นตลอดการสอนเทลาเรื่องนั้ น, มมนก็เหมือนการผสมผมาแป้งสักหม้อหนึ่งแป้งหมอนี้มันอร่อยทำไมใครเป็นผลทําใครเป็นเม็ดตัวเม็ดตัวขนาดหรือเม็ดตัวที่ไม่ฉลาดถาดดไมาไปถึง ก็เม่ตัวนั้นรู้จักสลาดเป็นผู้สลาดรู้จักจัดส่วนอาหารที่จะใส่ในแกงครุงแกงนั้นอร่อยไม่ใช่เมื่อตัวผู้ที่ในสลัดเป็นเมื่อตัวที่สลาดตรงนั้นเป็นต้นอาศัยสิ่งทั้งหลายอาศัยสิ่งผสมต่างๆไม่จัดส่วนแกงนั้นเพราะอร่อยจานที่มันอร่อยกัเพราะอะไรเพราะเม่ตัวสลาดจัดสิ่งโน้นว่างจัดสิ่งนี้ว่าผสมกันเข้ารู้จักประมาณแกงนั้นก็อร่ ในความอร่อยนั่นก็เพราะคือความสามัคคีของมนุษย์เราในหลายคนมารวมเข้ากันเป็นต้นมีความสามัคคีเกิดขึ้นความสงบนั้นเป็ น, นตน้นก็มันลดความเสียนที่มันอร่อยใ น, นเรื่องไม่ใช่ยินไกลทั้งนั้นดังนั้นมันต้องอาศัยการสิ่งที่มันสามัคคีการถูกจัดจวนมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดความสงบถึงแม้ว่าพวกเราท่านข้างายนี้ จะเป็นตะกูนสูงจะเป็นผู้มีความรู้มากความรู้น้อยอะไรก็ตามเพื่อถ้ามามีความสามัคคีกันด้วยความคารพเป็นธรรมแล้วการงานอันนั้นมันจะเจริญขึ้นนะมไม่ใช่อยู่ตามฐานะของคนการทำดีมันดีเหมือนกันทุกๆคนไม่ใช่ว่ามันเลยได้อันนี้เป็นต้นความดีนี่แหละมันเสมอกันทำความชั่วมันก็จะชั่วเสมอกัน ทำความดีนี่มันก็ไดีเสมอกันทั้งนั้นนังนั้นอย่าไปทิ้งตกใจเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ยังอยู่ธรรมะข้อนี้ยังมีเสียงนี่มันเป็นไปเพราะคนไม่เป็นไปเพราะธรรมะเพราะเป็นคนไม่รูาารร้จักาการปฏิบัติเพราะเป็นคนไม่รู้จักการปฏิบัติเกิดขึ้นมาเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะนี่เป็นมูลฐาน บำรุงสนับกรนุนดวงจิตใจมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆกันอย่างนั้นเป็มต้นความสัมมาทีจึงแตกเมื่อความสัมมาทีฏฐิแตกเป็นต้นใ้ความอาเด็ดอร่อยเป็นต้นมันพอวิ่งธรรมาตันทีในความเดือดด้นทั้งหลายพอวิ่งธรามาตันทีค ว, นนทาานทความสงบมันก็ออกไปมันจึงจายอย่างนั้นแต่ความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลาที่มันจะเสื่อมถลิ่นไปที่ไหน ยุตแต่มนษบุคคลเรามันเสื่ อ, อนจากธรรมะธรรมะมันยังคงที่อยู่ไม่ใชไปที่ไหนธรรมะนั่นคือมันเป็นการกระทามกาจกระทามนั่นคือมีส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องมันป่าผลไม่ได้ธรรมะมี่เปสิ่งที่ถูกต้องเช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าสวะคาโตปะตมวะธรรมะทำอนสัพุมีสภาของนกาตไม่ดีแล้ว เป็นต้นไอ้สิ่งที่พระองค์การตัดไม่มันดีตรงนั้นไม่มีสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นมันะมายเส ม, สมอมาแต่จะต้นจนปลายเลยเป็นต้นไม่มีเรียวไม่มีกั้นไม่มียาวตลอดกาลตลอดเวลาตรงนั้นดังผลการกระทําให้มนุษย์กระสงหลายเป็นต้นเออผิดในใจทุกทุกคนตรงนั้นนอกจากคนผู้เห็นผิดกันแล้วดังนั้นถึงเมื่อว่าพวก ้าพฟดเดาทาังไห่จะทําการงานเหนือไหนอะไรก็ตามทีเถอะให้มันตรงไปตรงมาเฉพาะธรรมะอืมที่เวลาทำดีนั่นไม่ได้ดีเน่ยมันเป็นเพ่อเพาะคนในความดีข้างในมันไม่ดีเส้นประทคอนมันตาดานนี้เอามาที่ผูดกันตูงนะี้คนสักร้อยคนอย่ไหนไม่หวานแบบนี้ไอ้ดีคนนั้นก็ว่ไม่หวานคนนี้ก็ไม่ไมหวานอะไรนี้เป็นต้นนะมันก็ไม่ห้ามหวานมันตาด้านมันไม่ได้หรอก ทานก็หวานอย่างนั้นเนี่นะมันน่นเป็นเหตุผลเหตุผลว่ามันเที่ยวทยวนานต้องมีเคร่วไอ้ความดีนันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรื่องผี่เสียหายอะางไรดัง น, นั้นบางคนก็เสียอกเสียใจนะมีทําดีก็ไม่ใส่ใจดีอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเพราะแบบน้เปาเป็นต้นมันขาดจากธรรมะมันม่มีความเห็นชอบดิฉะนั้นพ่อแม่กับลูกเป็นต้นนะ มันก็ยังแข่งแย่งกันเลยแต่ว่าแต่ไม่ขาดความเคารพไม่จะพูดไปถึงไหนอาจมาสมเหมผลอาจารม า, ก, ก, รมา ก, ก็ไม่ชอบก็องเขาแน่หรอกเพราะอาจมาสิเกียรมโตขึ้นมาตอนข้าไปทา ง, งานโน้น ไ, ไ้ทา ง, งานนี่ไม่อยากจะไปสเกียรยากจะไปดูหนังยากจะไปเิ่มตอนเย็นก็บอกตอนเาก็บอกว่ากำลังคานก็สิเกียรติยังไงไม่ชอบก็อแม่เลย เต้นๆตอนนั้นเด็กมันยังโง่อยู่ในรู้เรื่องเป็นต้น